8ปดร้อยห้ารอใกล้จบแล้วสิจบที่หน้าแปดร้อยสิบสามตอนนี้แปดร้อยห้าปฏิจจสมุปบาททำเวลาได้เร็วมากนะตั้งแต่ต้นปีมานะก็ใกล้จะจบแล้วได้ที่บายมาให้ทั้งเล่มนะ <c oughs> ปฏิจจสมุปาทอันนี้เรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมจะไหลไปสู่ธรรมนะการตั้งเจตนาในการกระทําให้ถูกต้องนะตั้งเจตนาในการกระทําให้ถูกต้องไม่ต้องตั้งเจตนาในการที่จะกระทําให้ออกผลนั้นๆ แค่เราตั้งเจตนาเบื้องต้นให้ถูกต้องทำจะไหลไปสู่ธรรมพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีสินสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าอาวิปปิสารจงบังเกิดแก่เราอาวิปปิสารแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจนะ เพราะฉะนั้นเมื่อศีลดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยจะต้องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเองความไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ไม่ทําอะไรผิดทางกายทางวาจาศีลดีปุ๊บมันจะไม่เดือดร้อนใจขึ้นมาเอง <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีศีนสมบูรณ์แล้วอวิปปติสารย่อมเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีวิปปิสารนะวิปปิสารคือเดือดร้อนใจอวิปปิสานก็คือไม่เดือดร้อนใจพอคำคำนี้เขาใช้คำว่าไม่มีเมื่อไม่มีก็แทนคำว่าอะไปแล้วก็เลยเป็นไม่มีวิปปิสานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีวิปปิสารก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าปราโมทจงบังเกิดแกเรา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อไม่มีวิปปัิสารปราโมทย่อมเกิดเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มีความเดือดร้อนใจก็ไม่ต้องไปทําเจตนาว่านะความปราโมทใจจงบังเกิดขึ้นแก่เรามันจะเกิดเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อปราโมทแล้วก็ไม่ต้องทําเจตนาว่า ปิติจงบังเกิดแก่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีใจปิติแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่ากายของเราจงรำงับดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อใจมีปิติแล้วกายย่อมรางับ <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกายรำงับแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเสวยสุขเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อกายรำงับแล้วย่อมได้เสวยสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อมีสุขก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าจิตของเราจงตั้งมั่นเป็นสมาธิ ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงรู้จงเห็นตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่เป็นจริง ดีดีนะตรงนี้การที่ว่าย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่เป็นจริงต่อไปมันจะไปโยงให้เห็นถึงคำบาลีว่ายะถาภูตะยานัทสนะอีกทีหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเอง เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรซึ่งอริสสัตตคือเห็นการเกิดการดับการแปลเปลี่ยนของมันนะ <c oughs> และเมื่อเห็นการเกิดดับการแปลเปลี่ยนของมันเนี่ยเราจะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายเองนะภิกษุทั้งหลายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ต้องทาเจตนาว่าเราจงคลายกหนั ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตจางคลายกำหนัดแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาทัทสนะภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาณทัทสนะ เราเริ่มเจอคำว่าวิมุตติอาัทสนะแล้วนะเห็นนะคือผู้รู้ในวิมุตตนั่นเอง <c oughs> นะพอเบือนนายคลายความพอใจในขันทั้งห้าได้แล้วนะไม่ต้องไปถามถึงวิมุตติอนัทสนะมันจะเกิดเองนะ <c oughs> เหมือนเราถือของหนักอย่างเนี้ยนะ เมื่อเราเห็นโทษแล้วเราเบื่อในการที่จะถือเราปล่อยวางไม่ต้องไปถามหาความเบาความเบามันมีมาเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมหลักเดียวกันนะวิบุติยันทัศนะเกิดขึ้นเองเมื่อเราวางขันทั้ง5ได้นะวางขันห้าได้ก็เพราะอะไรเพราะเราคลายความพอใจและเราวางเราวางเพราะเราคลายความพอใจเราคลายความพอใจเพราะอะไรเพราะเราเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเกิดประโยชน์ลายเห็นโทษ เราจะเห็นเกิดดับได้พ่อไหเพราะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิพ่อไหลเพราะเรามีสุขมีสุขเพ่อะไรลเพราะเรามีปิติมีปิติพ่อะไรหนะก็ย้อนเหตุปัจจัยไปเจนกระทั่งถึงการรักษาศินที่ดีเห็นนะกายวาจาดีปุ๊บมันจะไล่เรียงตามมาเลยทําจะไหลไปนะเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> พระองค์ก็สรุปว่า ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลวิราคะย่อมมีวิมุตติอนัทสนะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายการคลายความพอใจเนี่ยการคลายความพอใจหรือสลัดคืนสิ่งเนี่ยมันมีความเบาหรือวิมุตติอนัทสนะเป็นที่มุ่งหมายเราคลายความพอใจเพราะที่มุ่งหมายคือตรงนี้สุดท้ายผลของการประพฤติปฏิบัตินิพพิธาย่อมมีวิราคะเป็นอนิสงส์เป็นที่มุ่งหมาย การที่เราเบื่อหน่ายอั น, นิสงของการเบื่อหน่ายคือการได้วิราคะการปล่อยการวางการสลัดคืนซึ่งสิ่งนั้ น, นเป็นที่มุ่งหมายยถาภูตายานทัศนะย่อมมีนิพิทาเป็นอั น, นิสงเป็นที่มุ่งหมายนี่เราโยงกลับมาว่าก่อนนิพิทาคืออะไรคําที่ <c oughs> เราเห็นตรงนี้ว่าท่านใช้คําว่ารู้เห็นรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริง เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายตรงนี้ก็คือก่อนนิพิทาคือเบื่อหน่ายเนี่ยคือยะถาภูตยา น, นัทสนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแปละยะถาภูตยา น, นัทสนะไม่ได้เราก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้ก็คือการรู้เห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองนะมันมีคําแปลกันในตัวให้เสร็จนะสุขย่อมมีสมาธิเป็นอนิสงส์เป็นที่มุ่งหมายปัสธิ ย่อมมีสุขมีอนิสงค์ riding. ย่อมมีสุขเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายปีติย่อมมีปสัสสทิเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายปราโมทย่อมมีปิติเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายอาวิปปติสารความไม่เดือดร้อนใจย่อมมีปราโมทเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายศิลันเป็นกุศลย่อมมีอวิปปติสารเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ แ, แลทำย่อมไหลไปสู่ธรรม ทำย่อมทำทำให้เต็มเพื่อการถึงซึ่งฝั่งจากที่มิใช่ฝั่งดังนี้นะการถึงฝั่งก็คือนิพพานที่ไม่ใช่ฝั่งก็คือ <c oughs> สังสาระห้วงน้ำที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายนะเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างนระกกัมเนศเ ด, เดชานเปรตวิสัยก็วนกันไปขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องตั้งเจตนาตั้งเจตนาให้ถูกต้อง <c oughs> นอันนี้เป็นอีกอันหนึง่งที่พระองค์ได้สาธยายเมื่อพระองค์อยู่ตามลำพังพระองค์เดียว ที่เคยบอกมีหนึ่งพระองค์สาธยายกฎอิทับปัจจิตาสองสาธยายปฏิจจสุบาทสายเกิดสายดับนี่คืออันที่สามสาธยาย เ, าเรื่องของภาษะองค์ประกอบของภาษาต่างๆนะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เป็นมรรควิธีที่ง่ายและสะดวกต่อการเข้ามารรคผลนิพพาน น, ะนี่ถ้าจะสวดมนต์สวดตรงนี้นะ สวดกฎอิทับปัจจตาสวดสายปฏิจจสมุบาทิวงรอบเกิดวงรอบดับสวนการพินาผัสสะตรงนี้นะสวดเหมือนพระาศาสดาของเราสวดพระสูตรนี้บอกว่ากล่าวตามลำพังพระองค์ในคราวประทับหลีกเล้นอยู่นะครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จประทับอยู่ในที่หลีกเล้นแห่งหนึ่งแล้ว ได้ทรงกล่าวธรมปริยายนี้ตามลำพังพระองค์ว่าเพราะอาศัยซึ่งจักษุด้วยซึ a. A ่งร <c oughs> ูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขุบวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และพระองค์ก็ไล่ต่อไปคือโสตะ การได้ยินเสียงด้วยหูคานะการได้กลิ่นด้วยจมูกชิวหาการลิ้มรส ด, ด้วยลิ้นนะกายะนะซึ่งได้รับสัมผัสทางกายและทางใจเพราะอาศัยซึ่งมณ ะ, ะด้วยซึ่งธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณนะการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะ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 ทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของปฏิจจสุบัทเป็นเรื่องของตัวเราแท้ๆนะเป็นเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยบรรยายการทำงาน เกี่ยวกับระบบของตัวเราทั้งหมดการทำงานของวิญญาณกับนามรูปว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงมันมีลำดับเหตุในการเกิดขึ้นอย่างไรอะไรเป็นเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนั้นๆไปเรื่อยๆไปตามลาดับอย่างนี้ <c oughs> นี่พระศาสดาสวดตรงนี้เราจะสวดมนเนี่ยนะเราสวดอะไรสวดตามพระศาสดาหรือเปล่าถ้าสวดตามศาสดาสวดตรงนี้นะ สวดกฎอิทับปจัจจยตาสวดปฏิจจสมุปบาทนี่วงรอบการเกิดขึ้นแห่งทุกข์และพระองค์ก็สวดวงรอบการดับเพราะอาศัยซึ่งจักษุ ด, ด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณเพราะการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา และพระองค์ก็วกกลับตัดที่ตันหานี่เลยเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้ และโปร่งก็ไล่โสตะนเมื่อกี้ดับจากสุดับทางเสียงทางจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเ <c oughs> <c oughs> พราะอาศัยซึ่งมณ ะ, ะด้วยมณ ะ, ะคือใจมณะมะโนนั่นเองซึ่งทรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะ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 <c oughs> โสกับปริเทวทุกขโทมนัตอุปายยาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้นสมัยนั้นแลภิกูจองค์หนึ่งได้ยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นพิกษุผู้ยืนแอบฟังนั้นแล้วได้ตรัสคํานี้กับพิสูจนั้นว่าดูก่อนพิกษุเธอได้ยินธรรมปริยายนี้แล้วไม่ใช่หรือได้ยินพระเจ้าข้า ดูก่อนภิกษุเธอจงรับเอาทำปริยายนี้ไปดูก่อนภิกษุเธอจงเล่าเรียนทำปริยายนี้ดูก่อนภิกษุเธอจงทรงไว้ซึ่งทำปริยายนี้ดูก่อนภิกษุทำปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ดังนี้อืม <c oughs> ท่านพุทาธาก็เลยหมายเหตุไว้ว่าเรายังไม่เคยพบเลยว่ามีสูตรใดบ้างนอกจากสูตรนี้ที่พระพุทธองค์ทรงนำเอาข้อความเรื่องปฏิจจสุบาทมาสาธยายเล่นตามลําพังพระองค์เหมือนคนสมัยนี้ําเพลงบางเพลงเล่นอยู่คนเดียวเรื่องปฏิจจสุบาทเป็นเรื่องที่มีเกียรติสูงสุดด้วยเหตุผลกล่าวคือ ถึงกับทรงนำมาสาธยายเล่นในยามว่างลำพังพระองค์นะและทรงกำชับให้พิสูจนเล่าเรียนทรงบัญญัติว่าเรื่องนี้เป็นอาธิปรมจันทร์คือเป็นเบื้องต้นแห่งปรมจันทร์ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อความแห่งสูตรนี้แล้วและทรงตีค่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเท่ากับพระองค์เองโดยตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท แล้วอีกพระสูตรหนึ่งก็ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นใครเห็นปฏิจจสุบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตเห็นนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไปบอกว่าโอ้ปฏิจจสุบาทเป็นแค่ทฤษฎีเอามาปฏิบัติไม่ได้นี่พูดกันเยอะนี่พูดกันเองเห็นนะไม่ได้รู้เลยว่าพระาศาสดาเนี่ยให้คุณค่าเรื่องปฏิจจสุบาทนี้สูงมาก และเป็นเรื่องที่พระองค์อยู่ผู้เดียวก็นั่งสาธยายปฏิจตสวัสดไปเรื่อยนะเป็นอาการจิตมนุษย์ทั้งโลกนะลำดับของการเกิดขึ้นแห่งทุกข์นะ